ก็จนกว่าจะเจอทุกข์ถึงที่สุดอะถึงจะรู้ว่าว่าไอ้ความผูกพันความรักความหอบผวงอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันทําให้ตัวเราเนี่ยทุกข์มากๆเพราะฉนั้นจริงๆแล้วนะถ้ามัน เ, เรียนรู้ศึกษาธรรมะเข้าใจสัจธรรมขึ้นมาได้เนี่ยมันถึงจะค่อยๆ ค, ค, คลายออกแล้วก็ปล่อยออกไปแม้ว่าจะยากจะลําบากยังไงก็ค่อยๆ ค, คลายออกจนได้แหละจนสําเร็จ อันนี้ก็เหมือนกันพระราชานี่พอถึงเวลากลัวตา ย, ยาจริงๆเขาก็ยอมปล่อยนางปัญจปาปีไปเรือของนางปัญจปาปีก็ลอยไปตามน้ำไกลออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดไปถึงหน้าฉานของพระเจ้าพารวีไปถึงอีกเมืองหนึ่งเลยคนนี้นะซึ่งพระเจ้าพารวีพระเจ้าพราณาสีนั่นชื่อว่า พระกะชี่พระเจ้าพระกะนะอันนั้นอันนั้นกรุงพราณสีอันนี้พระเจ้าภาราวีนีอ่อีกเบืองหนึ่งนะกำลังทรงเล่นเรืออยู่อยู่ในในแม่น้ําพอดีอ่านเรือนี่ก็ลอยมาตั้งแต่กลางคืนนะก็ปล่อยลอยมาเรื่อยพระเจ้าพาราวีแลเห็นเรือลํานั้นจึงร้องว่าเรือนั้นต้องเป็นของเราของในเรือก็ต้องเป็นของเรา นีนิสัยของพระราชานิสัยของคนที่อะไรอ่ะเป็นใหญ่เนี่ยนะชอบที่จะอะไรอะไรก็ของข้าอะไรอะไรก็ของข้าพอเรือเข้ามาใกล้ทอดพระเนธเห็นนางปัญจปาปีจึงจัดถามว่านางนี่ชื่ออะไรรูปร่างคล้ายปีศาจ <c oughs> <c oughs> นางปัญจปาปียแยมยิ้มแล้วก็ทูลว่าหม่อมฉันเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพระกะเพคะจากนั้นก็เล่าเหตุการณ์ทั้งปวงให้ทรงทราบก็นางปัญจปาปีนั้นมีชื่อเสียงหรือก็ฉ่อนเป็นที่รู้กันตลอดชมพูทวีปก็พอาตั้งแต่ที่จับมือแต่ละคนแต่ละคนใช่ไหมในเมืองพราณาสีทั้งเมืองเลยคิดดูสิโอ้โหแล้วแต่ละคนก็ติดใจกันไปหมด มันจะไม่ลือก็ฉ <c oughs> ่อนไปได้ยังไงเพราะนั้นก็ชื่อเสียงนานบัญจาปาปีก็เลยลือไปทั่วเลยพระเจ้าพราวีจึงทรงพิสูจน์ด้วยการจับมือของนางจูงขึ้นจากเรือพอจับเข้าเท่านั้นก็เกิดกำนัดยินดีในสัมผัสทันทีจนไม่รู้สึกคิดถึงหญิงอื่นใดเลย นะผู้ง่ายโพแค่คว้ามือมาเท่านั้นเองอ่ะผู้หญิงอื่นหายออกจากหัวสมองหมดเลยเหลือแต่นางปัญจปาปีคนเดียวจึงทรงตั้งนางปัญจปาปีไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีนางก็เป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าภารวีในเวลาต่อมาพูดง่ายว่าคราวนี้มาเป็นอัครมเหสีของอีเมืองแล้วนะคนละเมืองแล้ว คราวนี้พอพระเจ้าพารณสีเนี่ยพระเจ้าพักกะทรงทราบข่าวนี้เข้าก็เสียดายทรงดำริก็คือคิดนี่เองทรงดำริในใจว่าเราจะไม่ยอมให้พระเจ้าพาราวีตั้งนางปัญจาปาปีเป็นอัครมเหสีอันนี้แม้ถ้าให้พูดหนักๆพูดชัดๆนะเนี่ยเยเรื่องของสามีภรรยาเรื่องของคารานหอบผวงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ หนักนวงรุนแรงมากบางทีเนี่ยตัวเองเนี่ยน ะ, ะไม่เอาแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยัยงปล่อยนางปัญจาปลาปีไปแล้วตัวเองก็ไม่เอาแล้วนะแต่พอรู้ว่าคนอื่นนี่เขาเอาไปแต่งตั้งไว้เป็นอัครลัมเหสีบ้างไม่ยอมทันทีเลยนี่นี่กิเลสความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของคนเราหอบหวงเหลือเกินยิ่งคราวนี้โดยสามัญธรรมดาของ ของคนทั่วๆไปเนี่ยเขาถึงโอ้โหฆ่ากันตายมาเยอะต่อเยอะไอ้ลิ์ของความหึงหวงรุนแรงจริงๆใครใครไม่เคยเจอก็คงไม่รู้แต่คนที่เคยเจอมาอาจจะเป็นมีครอบครัวมีพี่น้องมีคือญาติมีอะไรใครที่โอ้โหมีอาการถึงหวงเนี่ยจะรู้เลยเลยว่าโอ้โหรุนแรงนะฆ่าแกงกันก็มากตบตีกันก็มาก นะทะเลาะบ่แหวงกันอยู่กันไม่เป็นสุขเลยเพราะความขึงหวงขึงหวงแล้วก็หวาดระแวงนะบางทีโหตามไปถึงที่ตามไปถึงบ้านนะซัดกันยีรูปตุปตับ <c oughs> จริงๆรนี่ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะแบบนี้บางทีอาจะมาเจอกับตาตัวเองมาแล้วเพราะนั่นถึงได้บอกโอ้โหไม่แปลกใจไม่สงสัยเลยเรื่องพวกนี้นะรุนแรงจริง ๆ, ๆเพราะไอ้ที่เขาบอกว่าบางทีเนี่ย ถึงห่วงแล้วเอาปืนไปยิงกันไปฆ่ากันตายไม่น่าแปลกใจใดๆทั้งสิ้ น, นโอ้ความยึดเป็นสมบัติเป็นเชื้อเข้าเจ้าของเนี่ยมันหนักหน่วงมากทาั้งๆที่ความเป็นจริงเนี่ยยุ่งเกี่ยวกันเนี่ยก็แค่เสพการมาราคะกันการมาตัญหากันไปเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วถามหน่อยเหอะ น, นะว่าจริงๆแล้วมีสิทธิ์เป็นเจ้าของกันและกันหรือเปล่าไม่มีสิทธิ์หรอกขนาดพ่อแม่เนี่ย มีลูกเต้าออกมายังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปครอบครองลูกเต้าตัวเองได้เลยเขาก็คือเขาจริงๆแล้วไม่มีการเป็นเจ้าของชีวิตของใครได้ทั้งนั้นแต่ละคนก็เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองแต่ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นเจ้าของชีวิตของคนอื่นเขาโดยสัจจะเป็นอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงไม่อย่างนั้นเมื่อคนเรามีกิเลสเนี่ยนะมีความรักพอมีความชอบใจกันขึ้นมาแล้ว ก็จะยึดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยมีคู่ครองหรือว่า อ, อ, อะไรอะ่ะในเรื่องของกามเนี่ยพอได้ไปยุ่งเกี่ยวกันแล้วโอ้โหยึดหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยละกามได้ลดกามได้ไอ้ความยึดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของใครของคนนั้นของอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะลดตามลงมาด้วยนะมันก็จะปล่อยมันจะคลายใจออกไปได้มากขึ้น ่แต่นี่สำหรับพระเจ้าพระกะนี่ไม่ยอมเลยพอรู้ข่าวจึงรวบรวมเสนาสเสด็จไปนะเป็นกระบวนทัพไปตั้งไปตั้งทัพอยู่ที่ตรงตรงท่าน้ำท่าน้ำที่ที่ตรงเมืองภารวเาีเมืองของพระเจ้าภารวีเนี่ยแล้วก็ส่งสารไปว่าให้พระเจ้าพาราวีจงคืนภริยาหรือจะลบกันก็ตามที คือ ต, ต้องคืนนางปัญจปาปีมาให้ถ้าไม่คืนให้ต้องลบกันก็ปล่อยไปเองนะเสร็จแล้วดูสิหน่ยังจะมาหวงมาทวงอีกหวงก้างเขาเรียกว่า <c oughs> มาเคยใช้นะมาหวงก้างอย่างเงี้ยตัวเองก็กินไม่ได้นะหวงไม่ให้คนอื่นเขากินเนี่ยแล้วก็ทรงตาเตรียมการรบพวกอมมาทั้งสองฝ่ายจึงปรึกษากันว่า ที่จะพากันมาตายเพราะเหตุแท่งผู้หญิงนั้นไม่สมควรเลยนางปัญจาปาปีควรได้แก่คือคือคือควรเป็นของพระเจ้าพระกะเพราะได้เคยเป็นสามีมาก่อนแต่ก็ควรได้ควรให้แก่พระเจ้าพาราบีเพราะทรงเก็บได้ในเรือคือความคิดก็มีทั้งสองฝ่ายอะฝ่ายนึงก็ว่าน่าจะให้ พระเจ้าพระราสีไปอีกฝ่ายนี่ก็ว่าน่าจะให้พระเจ้าภารวีไปเพราะว่าทิ้งแล้วนี่เพราะฉะนั้นก็น่าจะมาเป็นสีของคนที่เขาได้สิมันก็มีเหตุผลทั้งคู่ะนะคืออันนี้เป็นเหตุผลของผูดง่ายเหมือนกับเหตุผลของพวกผู้ชายผู้ชายเนี่ยเขามีความคิดว่าบางทีเหมือนกับว่าโดยยิ่งสมัยโบราณนี่นะคือผู้หญิงเนี่ยแทบไม่มีปากมีเสียงแทบไม่ต้องมี อะไรที่จะมาโต้ตานโต้แยนต่อรองอะไรทั้งสิ้นเพราะถือว่าถือว่าอะไรอ่ะต้องทำตามสั่งอ่ะของผู้ชายว่าอย่างนั้นเหรอผู้ชายเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นความคิดอย่างเงี้ยคือคิดแบบชนดิดที่ว่ามีสิทธิ์ตัดสินผู้หญิงได้เต็มที่ว่าผู้หญิงจะเป็นยังไงก็ได้ทังทั้งที่ความเป็นจริงเรื่องนี้ควรจะถามค่ ะ, ะเรื่องนี้ควรจะถามนางปัญจาป้าปีใช่ไหม ว่าจริงๆแล้วเอออยากจะอยู่กับใครมากกว่ากันไม่ใช่มาถามว่าว่าเออเนี่ยสมควรที่จะเป็นของของพระราชาพราะองค์ไหนแต่นี้ต่างก็คิดอย่างนี้กันขึ้นมาเป็นสองกระแสใช่ไหมต่างก็กราบทูลพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองให้ทรงทําสัญญากันดูนะคือไม่อยากรบกันนะ่โอ้มาตายเพราะผู้หญิงคนเดียวเพราะนางปัญจาปาปีคือคนอื่นเนี่ยถ้าไม่ไม่ พูดง่ายไม่มีกามาตันหากับนางปัญจาปาปีไปด้วยก็รู้สึกว่าโอโ้มาตายผู้หญิงคนเดียวไม่คุ้มเลยแต่ส่วนพระราชาซึ่งซึ่งติดใจในรถกามาตันหาใช่ไหมสองคนนี้ยอมสู้กันยอมตายกันได้เพื่อที่จะยึดเอานางปัญจาปาปีไว้เพราะฉะนั้นอันนี้จะให้เห็นเลยว่ามันเหมือนกับคนที่อยู่วงนอกจะตาสว่างกว่า คนที่อยู่ว ง, วงในเนี่ยก็เหมือนคนอยู่ในคุกคนที่อยู่ในที่มืดเพราะันจะมองอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ชัดเจนเพราะนั้นก็เลยบอกว่าให้ตกลงกันอีก่าทำสัญญากันซึ่งพระราชาทั้งสองนั้นในที่สุดก็ตกลงพระไทยสั่งให้สร้างพระนครขึ้นฝั่งละพระนครคือแม่น้ำเนี่ยให้ฝั่งนู้นมี สร้างพระนครขึ้นพระนครหนึ่งฝั่งนี้ก็สร้างขึ้นอีกพระนครหนึ่งแล้วเสด็จประทับอยู่คือพระเจ้าภารวีก็ประทับอยู่ฝั่งหนึ่งพระเจ้าพระกะนี่ก็ประทับอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วให้นางปัญจปาปีทําหน้าที่เป็นอัครมเมฮศีของสองพระราชานี่คือวิธีแก้นั น, นี่คือให้นางปัญจปาปีประจำอยู่นครละ เจ็ดวันแม้อย่างนี้แล้วนางก็คือคือพูดง่ายๆว่าก็คืออาทิตย์หนึง่งก็ไปอยู่กับพระเจ้าพระราศีอี ก, อ, อ, กอาทิตย์หนึง่งมาอยู่กับพระเจ้าพาราวคีคุณว่าอย่างเงี้ยแก้ปัญหาบ่เนี่ยว่าไม่ได้แก้ปัญหาะลรเลยมันแต่ว่ามันดูเหมือนกับเออไม่ต้องลบกันไม่ต้องฆ่ากันก็ดีนะ แต่อันนี้มันยังไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเพราะการแก้แบบนี้ก็ยังเห็นว่าจริงตรงที่ไม่ต้องมาฆ่ากันตายไม่ต้องให้คนอื่นมาฆ่ากันตายแก้ปัญหาได้ตรงเ อ, อยอมลดกามในใจลงไปบ้างตรงที่เรียกว่าเอาวะให้นางปัจปะจาปาปีไปา ท, าทางงูอาทิตย์หนึ่งนะมาทางงี้อาทิตย์นึงนะมันมันแก้ปัญหาตรงเรียกว่า ว่าไม่ให้คนตายแต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือว่าที่ถูกต้องควรจะแก้ที่ไหนควรจะเลิกลดไอ้กามาราคานี้ลงไปสิใช่มจะได้ไม่ต้องมาโอ้โหมาแย่งกันอย่างนี้นี่ก็ไม่รู้นะเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกแล้วถ้าเกิดนางปัญจาป่าปีทรงประคันขึ้นมาแล้วจะลูกของใครอะ ก็ไม่รู้อีกเดี๋ยวก็ยุ่งกันอีกอะ่ะใช่ไหมมันโอ้ยมันยุ่งเหยิงไอ้วิธีแก้แบบนี้มันมันมันไม่ถูกอะ่ะจริงจริแล้วควรที่จะลดละในการมาราคะกามารมอะไรพวกนี้ลงไปนะแล้วก็ดูสิว่าควรจะยกให้ใครก็ยกไปแต่อันนี้ให้เห็นเลยว่าหน้ามืดอะ่ะไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมถ้าลักษณะอย่างนี้ในานางปัจปะจ่าป่าปีก็เหมือนกับอะไรอะ่ะโอ้โห เป็นนางบำเรอเท่านั้นเองเียจ็วันก็ไปฝั่งนู้นเจ็วันก็มาฝั่งนี้แต่แม้อย่างนี้ก็ตามนางปันจาป่าปีก็ไม่เพียงพอเมื่อนางลงเรือไปยังอีกฝั่งหนึ่งนางก็ได้ทํารามกกับชาวประมงข่มคนหนึ่งซึ่งเป็นคนพายเรือในกลางแม่น้าเรื่องนี้เราเห็นมาเองแล้ว เพราะคราวนั้นพระเจ้าพระกะก็คือเราเองนี่คือคำพูดของพญานกุณาละบอกว่าเรื่องนี้เราเห็นมากับตาตัวเองพูดง่ายเห็นมาเพราะอะไรเพราะคราวนั้นอะ่ะเราก็คือพระเจ้าพระกะนั่นเองเพราะฉะนั้นพญานกุณาละนี่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเหมือนกับอะไรระลึกชาตินั่นเองลึกชาติแต่ผลหลังเนี่ยเล่าให้พญานกปุณณมุ ข, ขะฟัง นะอันนี้ก็เป็นการจบช่วงเรื่องของนางปัญจาปาปีนะซึ่งเรื่องเรื่องช่วงเนี้ยอัตมาก็พูดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าจะให้เห็นนะว่าโอโ้โหเรื่องของการเรื่องของการสัมผัสแตะต้องนี่อันนี้นี่ อ, อะไรอะรุนแรงคุณคิดดูบางคนเนี่ยเคยนึกว่า คนที่อับประรักคนที่อย่างนี้หมายถึงพูดจริงๆเลยนะในปัจจุบันเนี้ในชีวิตทุกวันนี้จะเห็นได้เลยว่าบางคนเราก็ดูโอ้โหคนนี้จริงๆอัประรักหน้าตาก็หน้าเกลียดหน้าชางเหมือนัเนี่ยไม่น่ามีสเสน่ห์อะไรตรงไหนเลยอะ่ะไม่ชวนให้เข้าใกล้เลยบางคนเนีทั้งอับประรักพูดจาก็ไม่ค่อยดีนะออพูดจาก็หยาบคายโอ้แต่ก็มีครอบครัวมีลูกเต้าจนได้นั่นแหละ จะให้เห็นเลยว่าโอ้เพราะนั้นเรื่องของกามเนี่นะมันแหมมันไม่เลือกหน้าอินหน้าพมหน้ายาจกหน้าคนรวยที่ไหนเลยมันไม่เลือกเลยอ่ะมันไม่ละเว้นใครเพราะนั้นคนจะอับประรักยังไงบางทีใจที่มีกามอยู่มันก็ยังคงมีกามก็ยังคงใคร่อยากในเรื่องพวกนี้เพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจบางทีบางคนพิกลพิการจนกระทั่งพิการขนาด อะไรอ่ะบางทีตาบอดหูหนวกอ้าวเป็นใบอ้าวเอาเอาแขนขายขาขาดหมดเลยเหรอแหมอันนี้ก็เกินไปละอันมั้นมากไปเาแต่จริงๆเนี่ยที่พีกวนพิการชนิดที่เรียกว่าเรารู้สึกว่าโอ้โหคนเนี้ยไม่ควรที่จะแต่งงานไม่ควรจะมีลูกหรอกเพราะว่ามันรู้สึกลำบากเกินไปละสำหรับเขา แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันมีกามสะสมอยู่ในจิตวิญญาณไม่รู้ว่าชาติไหนชาติไหนที่สะสมมาคุณรู้ไหมไอ้ความขี้อยากพวกนี้ก็เกิดอยู่เรื่อยๆอ่ะเกิดอยู่เรื่อยๆอ่ะจนในที่สุดถ้ามันมันทนไม่ไหวในที่สุดมันก็ต้องหาคนมายุ่งเกี่ยวจนได้แหละจะพิกลพิ ก, การยังไงก็ตามอันนี้นี่เป็นความจริงเลยเพราะฉนั้นเนะ่ยคุณไม่ต้องแปลกใจแม้แต่บางคนเอ่อเป็น โรคเรื้อนเป็นอะไรต่ออะไรเขาก็มีครอบครัวจะมาเคยไป อ, อะไรอะ่ะไปเยี่ยมเขาเรียกอะไรนะนิคมนิคมคนโรคเรื้อนโอ้โหเราไปดูแล้วก็เวทนานะเห็นใจเราเองดึกอยู่ ใ, ใจเลยว่าโอ้โหก็กลัวว่าเขาไปมีครอบครัวเดี๋ยวก็จะลูกหลานจะติดจะเป็นอะไรต่อๆไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเรายังกลัวแทนเขาเลยนะ แต่ไอ้ใจที่เขามีกามอยู่เนี่ยมันมันมันยอมนะแม้แต่เนี่ยบางคนเนี่ยที่อะไรอะ่ะที่เป็นโรคทุกวันเนี่ยที่เรารู้ว่าโรคเอทอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยโอโ้เรารู้ว่าเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวแม้แต่ไปเสพกามด้วยก็จะติดเอทไปด้วยเป็นอันตรายไปด้วยแต่แม้อย่างเงี้ย บางคนเนี่ยก็เพราะฤทธิ์ของความสเสน่หาความรักใคร่ชอบพอในที่สุดตายเป็นตายเออก็ยอมที่จะยุ่งเกี่ยวด้วยเป็นอย่างนั้นเพราะเราจะให้เห็นเลยว่าโอ้โหเรื่องของการมรรมเรื่องของกา ร, รมรคะนี่ถ้าใครไม่ฝึกฝนจริงๆใครไม่พยายามภาคเสียนในการลดละจริงๆมันไม่มีวันลดลงเองคุณจำไม่เลยว่าไม่มีวันลดลงเอง จะลดลงได้ต่อเมื่อเราต้องอะไรอะ่ะเขี่ยวเข็นต้องบังคับต้องเชื่อต้ตองเฉือนต้องตัดใจเราเนี่ยแหละให้ลดมันลงไปโดยอาศัยสัจธรรมอาศัยความรู้จริงๆเห็นทุกจากกามจากราคะให้ได้พอเห็นทุกจากอย่างนี้ได้เนี่ยมันถึงไม่มีอุปทา น, นไอ้ไพวกกามพวกนี้นะหรือว่าอุปทานกามพวกนี้มันถึงจะลดลง เพราะเรารู้สัจจะเราเข้าใจความเป็นจริงจิตมันถึงจะค่อนข้างที่จะวางเฉยหรือว่าค่อนข้างที่จะไม่ไปปรุงไม่ไปฟุ้งในเรื่องของกามพวกนี้มากและคนนั้นก็จะค่อยๆเบาสบายขึ้นในเรื่องพวกนี้คราวนี้เนี่ยต่อให้คุณไปเจออะไรอะ่ะสวยงามยังไงหล่อเหลายังไงคุณไม่ปรุงไม่คิดในเรื่องกามพวกอะไรพวกนี้มากแลวจิตใจมันก็จะสบาย พบใครเจอใครมันก็จะมีความรู้สึกที่ดีๆน่าจะเคารพจะศรัทธาใครยังไงก็ไปในทางที่บริสุทธิ์ใจนี่ได้มากแต่ทําไมอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครมีอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้มันแทรกเข้าไปเรื่อยเลยมันแทรกเข้าไปเรื่อยเลยเพราะบางทีศรัทธาก็ศรัทธาไม่จริงกลายเป็นศรัทธาที่ผสมกามอะไรพวกนี้เข้าไปมันไม่ใช่ศรัทธาแท้หรือบางทีเคารพ รักอะไรใครมันก็จะรักในทางกลายเป็นไอ้มิติที่หนึ่งะไปเป็นการแบบผู้ชายผู้หญิงอยู่เรื่อยมันไม่ใช่เคารพแบบเคารพพ่อแม่เคารพผู้ใหญ่เคารพผู้มีศีลสูงกว่าเราอะไรอย่างงี้มันไม่นะจิตมันจะลามกจิตมันจะมีพวกนี้เข้าไปปนเปเพราะัถ้าถึงบอกว่าถ้าไม่ฝึกฝนแล้วก็ไม่คอยตรวจตาดูมันแล้วก็กาจัดมันออกไปมันมีจริง จนกว่าเนี่แหละเราจับได้ไล่ทันแล้วเราก็ล้างออกไปเรื่อยล้างออกไปเรื่อยแลไอ้พวกนี้นก็จะหายออกไปจากสมองเราเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันสั่งสมมาไม่รู้กี่ร้อยปีไม่รู้กี่ร้อยชาติว่ามันมันมันคาอยู่ในสมองเราเยอะแยะมากมายเพราะถ้าคนไม่ฝึกฝนธรรมะจริงไม่ลดละกิเลส ข, ของตัวเองจริงนั่นมันไม่หลุดออกไปแะถ้าพวกเราเข้าใจได้เนี่ยจากตัวอย่างต่างๆเนี่ต้องเยอะแยะกว่าจะมาถึงเรื่องนี้ เราจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหประมาทมันไม่ได้เลยเพราะนั้นบางคนเนี่มาสรุปฝากตรงนี้ว่าบางคนเอาละเราเองบางทีเราอาจจะไม่คิดอะไรแต่ให้คุณระวังด้วยว่าคนอื่นคิดกับคุณใช่ไหมถ้าคนยังมีกิเลสอยู่อ่ะคุณไม่คิดอะไรกับใครแต่ใครอาจจะมาคิดกับคุณเพราะแม้อย่างนี้คุณก็ยังต้องระมัดระวังตัวเองไว้บ้างเลยบางทีเนี่ย จะไปเมตตาใครเขาจะไปเอ็นดูใครเขาจะไปช่วยเหลือใครเขาเราวังให้ดีนะไปทําให้คนอื่นเขารักเขาหลงขึ้นมาเขายินดีพอใจขึ้นมาอ้าวเหมือนนานปัญจาปาปีเนี่ยไม่ได้ไม่อาจจะไม่ได้ไปติดใจพระราชานะพระราชาอาจจะไม่ได้มีสัมผัสอะไรที่ดีก็ได้แต่พระราชาติดใจนางปัญจาปาปีอะ่ะอ้าว พอนพอคนอื่นมาติดใจเราโอ้โหยิ่งถ้าเขามีอำนาจเขามีอะไรเอาสิเขาเนี่ยระวังวิบากกรรมเราอะ่ะเขาอาจจะมาบังคับเขาอาจจะมาอะไรล่อลวงเขาอาจจะมาข่มเพงทำร้ายอะไรก็ได้พา น, นี้ต้องระวังเหมือนกันเพราะไม่ใช่ว่าแม่ฉันบริสุทธิ์ใจฉันไม่มีอารมณ์กามอะไรกับใครนะฉันอยู่บ้านของฉันเฉยเฉยท่านทํางานฉันไม่ยุ่งกับใครกูอย่าลึกว่ารอดนะเพราะณ่ะ ถ้างโงๆเสิร์ๆประมาทเนี่ยซวยเหมือนกันนั้นก็จะต้องระมัดระวังการแต่งเนื้อแต่งตัวการไปไหนมาไหนประมาทไม่ได้บางทีโอ้ชั้นถือศีลชั้นปฏิบัติธรรมเพราะนั้นฉั้นก็อยู่รอดปลอดภัยแน่แ้วคาดทุกสิ่งทุกอย่างซวยนะบอกให้รู้เพราะขนาดคุณเคยฟังประวัติพิกษุนีไหมล่ะโอ้พิกษุณีบางรูปยังจะโดนไอ้พวก คือสวยสวยมากเลยอย่างเงี้ย ห, หน้าตาดีบวชแล้วคุณคิดดูสิยังจะมาโดนไอ้ผู้ร้ายมามาขมขืนเนี่ยคุณคิดดูเอาเพราะนั้นในอย่าประมาทอย่าไปงมงายแล้วก็บางคนก็โอ้ฉันไม่สวยอะไรคงไม่เจอหรอกคนไม่โดนหรอกอ่าคุณระวังอีกอะมาบอกกันนะไอ้คนหน้ามืดมาจากไหนมันมันไม่สนใจอะหน้าตาคุณจะสวยไม่สวยอ่ เอาแต่อารมณ์กรารของมันเข้าว่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะยังไงก็ระแวดระวังตัวเองให้ดีนะจะอยู่กับใครสองต่อสองอา้าวต้องระวังเออไว้ใจได้ยังไงนะถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรพวกนี้ต้องระวังผู้ชายทุกวันนี้ก็ต้องระวังนะอะ่โดยผู้หญิงปัําได้นะอ่าโดยผู้หญิงข่มขืนได้ทุกวันนี้เพราะว่าโอ้โหผู้หญิงทุกวันนี้ ร้ายกาจกว่าสมัยก่อนเยอะนะออผู้หญิงทุกวันนี้ไม่รู้พูดไปพูดหนักไปวะเนี่ยไม่หนักไปหรอกเพราะเดี๋ยวนี้โอ้โหกากันมากเลยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงจีบผู้ชายบอกตรงๆเยอะเลยด้วยไม่ใช่ผู้ชายจีบผู้หญิงนะออผู้หญิงจีบผู้ชายเยอะมาก